ด j m ค่ะจะมาเล่าถึงประวัติของเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งนะคะซึ่งเป็นสาวสวยเสียงหวานแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยเดาสิคะว่าใครคุณฝนธนะสุนทรหรือชื่อจริงของเธอนะคะเตือนใจศรีสุนทรค่ะคุณฝนเนี่ยนะเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธา น, นี เมื่อปี 17, 2 5 1พันห้ารอยสิบเจ็ดเกิดมาเนี่ยโหชีวิตคนค่ะผู้หญิงคนนี้บอกเลยนะคะเหมือนซินเดอร์เล่าจริงๆนะท่านผู้ฟังฟังไปดีๆแล้วแล้วจะเริ่มรู้สึกคือตอนเล็กเนี่ยลำบากมากพ่อเนี่ยถีบสำล้อแม่หาของขายส่วนเธอเนี่ยด้านเป็นลูกคนโตและพ่อแม่ก็มีพี่น้องทั้งร่วมกันทั้งหมดสิบคนค่ะท่านผู้ฟังโอ้โห ชีวิตฝนเล่นลำบากแต่เป็นเด็กฝ่ายดีค่ะก็เรียนประถมต่อมัธยมเรียนจนจบปริญญาโทเอาท่านผู้ฟังคิดดูอะคือสู้ชีวิตจริงๆคุณฝนเนี่ยมีปูนะคะเป็นผู้ฝึกร้องเพลงลูกทุ่งคือสมัยก่อ น, นะมันจะมีเอาำวงและก็จะมีการเชียร์แขกอะมาร่วมรำวงซึ่งฝนเนี่ย ก็เริ่มฝึกร้องเพลงตั้งแต่ ม, มส อ, อะ่ะท่านผู้ฟังแล้วด้วยความมี่ว่าหน้าตาเธอสวยก็จะมีคนนะ่ก็จะมาว่าจ้างให้เธอไปร้องเพลงตามงานนู่นงานนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าปเป็นข้ออ้างคือจริ ง, รงๆไม่ใช่หรอกสวยพวกมาจีบ <c oughs> ก็เลยทำให้เธอได้งานมีงานเรื่อยๆนะจนตอนหลังเนี่ยฝนก็เข้ามาอยู่ ในวงการบันเทิงเปิดตัวด้วยการประกวดมิสทินโอเลแล้วก็ได้รางวัลมาคลองจริงๆค่ะก็มาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาลูกอมโอเล e อยู่พักหนึ่งพอจบมหเนี่ยนะคะฝนเนี่ยก็ได้ไปบันทึกเทปเพลงที่เขาจัดขึ้นเพื่อแบบฉลองหนึ่งปีของจังหวัดอุดอรเขาอะ่ะก็ได้ร้องเพลงก็ทำให้ นักจัดรายการวิทยุชื่อดังนะคะที่บ้านเขาเนี่ยชักนำสู่การเป็นนักร้องอาชีพเต็มตัวฝนเนี่ยได้เซ็นสัญญาเป็นเวลา4ปีนะกับบริษัท c r e v e r Entertainment ในเครือชัวออดิโอซึ่งเพลงที่เธอทำในช่วงแรกนะเป็นเพลงแนวสตริงเพราะว่าเห็นหน้าตาเธอมาจะเหมาะนะคะแต่ปรากฏว่าออกไปนี่ไม่ดังอะเงียบเลย อนี้ออกแนวเดียวกับก๊อดจากกระพานอีกแล้วนะสติงไม่ดังมาดังในเพลงลูกทุ่งค่ะตอนหลังพอมาออกเพลงลูกทุ่งเนี่ยดังเป็นผู้แตกกับเพลงที่ชื่อว่าใจอ่อนค่ะทำให้แฟนเพลงเนี่ยอุ้ยล้อมหน้าล้อมหลังฝนนะคะแล้วฝนเนี่ยก็มาอยู่ในแนวเพลงลูกทุ่งนะับตั้งแต่ดนั้นนะคะ เพลงเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ฟังนะคะเพลงใจอ่อนอแล้วก็ท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังอีกหลายผลงานเพลงของฝนทนสุนทร น, นะคะว่าอย่าลืมนะคะว่าจะเปิดเพลงอะไรให้ฟังนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะดีเจแอมนะะจะมาเล่าประวัติของนักร้องลูกทุ่งคนไหนเนี่ย อย่าลืมฟังนะวันนี้ฟังประวัติของซินเดอเรลล่าแห่งวงการลูกทุ่งไปแล้วนะฝนธนาสุนทรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังค่ะว่าจะเป็นชีวิตของใครนั้นตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนค่ะ แต่ไรยหัวใจกา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 สวัสดีค่ะอ่าให้คุณป้าแนะนําุณแนะนำสกุลและที่อยู่ค่ะศูนย์แปลงรัมเกศรค่ะอยู่สามเจ็ดัเก้าหมู่หกอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอ่าตําบลอะไรคะตําบลนครสวรรค์ออกค่ะอ่าหมู่หกตําบลนครสวรรค์ออกอําเภอเมืองนครสวรรค์นะคะค่ะคุณป้าแป้งเริ่มคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักกัมมูนไบรคุณป้าเป็นอะไรมาจ๊ะปวดขาค่ะขาบวม ความบวมามากเลยถึงหัวเข่าค่ะบวมนี่ขนาดไหนบวมแบบเดินไม่สะดวกเลยไหมคะใช่ค่ะบวมเต็งเต่งมากเลยอ๋อบวมเต่งเต่งเลยจ้ะใส่ติ้งเลยพอดีน้องขาวเขาใช้ใช้ตัวนี้อยู่ค่ะเขาก็เลยลองให้มาใช้อยู่ค่ะ <c oughs> พอใช้ได้สักหน่อยหนึ่งเขาก็ยุบค่ะ <c oughs> ยุบแล้วเราก็สั่ง สา่กินเองเลยค่ะอืมจ้ะแล้วพอคุณป้าใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างไอ้ที่ขาบวมอ่ะมันยุบลงค่ะยุบลงลไปกี่เ<ข>ปอร์เซ็นต์นะคะเยอะเลยเหรอเยอะเลยค่ะสูงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตไหมเกือบเกือบเลยค่ะอืมยุบลงไปแปดสิบเปอร์เซ็นตเห็นได้ชัดเลยว่าขาจากที่เคยบวมนี่ยุบตัวลงค่ะใช่ค่ะเอ่อแล้วคุณป้าเป็นมาอย่างเนี้ยที่บอกขาเคยขาบวมมาเป็นมากี่ปี อ๋อพึ่งเป็นแล้วก็พอได้ยาน้องสาวมาก็พอกินได้ไม่กี่วันก็ยุบเลยะคะ่ะก็เลยกินต่อมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์นเนี่ยได้ผลไหมได้ผลค่ะเพราะบางคนเนี่ยฟังทางวิทยุหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าการสั่งสิงนค้าผลิตภัณฑ์แบบนี้ยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่ากลัวว่าจะโดนหลอก ได้ได้ผลจริงค่ะเนี่ยไม่งั้นไม่ติดต่ออยู่หรอกค่ะจ้ะเออแล้วคุณป้าเอ่อมีมีอะไรจะฝากกับท่านทุกฟังไหมที่มีอาการคล้ายๆกับคุณป้าออค่ะก็อยากจะให้เขามีอาการแบบนี้ก็ลองมาใช้มูลไบดูค่ะว่าไม่ถึงอาทิตย์ก็เห็นผลแล้วค่ะออแล้วราคาเป็นยังไงบ้างคะมูนไบราคาเราพอจ่ายได้ค่ะ ไม่ถึงกระแพงมากค่ะอ๋อสินค้าก็มีหลายชิ้นนะนะในชุดนะก็ถือว่าโดยรวมถูกค่ะใช่ค่ ะ, ะแล้วทางแล้วคุณป้าก่อนหน้านี้ที่ขาบวมเนี่ยเคยหาวิธีดูแลตัวเองมาก่อนไหมไม่เคยเลยค่ะอ๋อไม่เคยรักษา ไ, ไม่เคยอะไรเลยค่ะอ๋อมันิจากกระมุนไรก็ก็ดีใช่ค่ะ ใช่ค่ะรู้จักน้องเนี่ยนะคะตอนขาบวมปุ๊บน้องเขาใช้อยู่ะะอะค่ะอืน้องก็เลยแนะนำมาว่าป้าลองเอาตัวนี้ไปกินที่แล้วก็ป้าจะเบาเพราะเขาก็เป็นขาอยู่เขาปวดพวกขัวเข่าอะ่ะจ้ะแล้วใช้มาไม่ถึงอาทิตย์เลยขากระยุบ เยี่ยมมากเลยทางรายการมูลไบรท์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณแป้งร่ามเกษรที่อยู่หมู่ที่หกตำบนลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุ ณ, คณมากค่ะค่ะชาหมือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบรท์จำ้ำ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูนไบรจะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูนไบรสอบถามได้ที่เบอร์0 8, 7 7. 0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสเกสหเกเจดเจำศูสมเกสี่กเเจ เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสุนันท์โพไทยกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าให้คุณป้าแนะนำชื่อนามสกุลและที่อยู่คะ่ะสุนันท์โพธยค่ะค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะหกสิบเก้าครับสองค่ะค่ะหกสิบเก้าสองมูมูหกนวอออกอ่าตําบลนครสวรรค์ออกอำเภออำเภอเมืองอ่าจังหวัด นครสวรรค์ค่ะอ่าอยู่นะคะตำบล น, นครสวรรค์ออกอําเภอเมืองนครสวรรค์คุณป้าก่อนหน้าที่จะมาใช้มูลไบรท์เนี่ยคุณป้าเป็นอะไรมาจ้ ะ, ป, ะปวดหลังแล้วก็ปวดข้อปวดหลังปวดข้อนี่ยเป็นมากี่ปีเอ้ยเป็นมาก็เป็นปีแล้วจ้ะ อ, อ๋อเป็นยังเมื่อก่อนเคยโดนรถชนแล้วก็เออมอตอนแรกมัเป็นอะไรหายไปแล้วก็มาระยะหลังปวดเหมือนมีอายุขึ้นก็จะปวดอืมก็เลย ได้ฟังพิยุก็เลยว่าไอาลองไปทามากินสิอื ม, อม<า>ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นก็เลยยังกินต่อเนื่องอยู่ไอหายขาดเรายังไม่รู้เ น, ะ น, นาะแล้วก็ค่อยกินแล้วค่อยทาไปแล้วเป็นไงกินแล้วดีขึ้นไหมคุณป้าดีขึ้นจ้ะเออจากเดิมเนี่ยที่บอกว่าปวดข้อปวดอะไรเนี่ยก็ระยะแรกมันยัง ไม่รู้เนะว่ามันจะนั่นไหมแต่มันก็ดีขึ้นแต่ก็ต้องกินตลอดทาตลอดไปก่อนตอนเนี้ยมันยังจะปีนังได้แหละอ๋อจ้ะแล้วเดียเด๋ยวจะเดิมนี่คือป้านในปวดข้อปวดหลังมากใช่ไหมปวดข้อนิ้วนิ้วอ่ะข้อนี้นิ้วข้ออ๋อปวดข้อปวดนิ้ ว, ว อ, อ่าเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเบานะคะดีขึ้นจ้ะงออะไรดีขึ้นอ๋อนิ้วงอได้แล้วจากเดิมง อ, งอไม่ได้เลยได้ได้แต่ว่ามันตึงตึงอ่ะตึงตึงตึงเจ็บเจ็บหน่อย ในสิ่งก็ปวดโอยอายแลักนะอื ม, อมออก็เรียกได้ว่าเออดีขึ้นมีจ<ด>ุดที่น่าสังเกตนะคะท่านผู้ฟังก็คือว่าเป็นเหมือนกันทุกคนเลยคือคนที่เคยรถล้มตอนแรกก็จะบอกว่าเออมันมันมันหายไปแล้วรักษาแล้วมันก็ไม่เป็นไรจะพอผ่านไปหลายๆปีอายุมากเข้าก็กลับมาเป็นใหม่ถูกไหมอ่าคุณป้าสุ น, นันท์ก็เป็นตวัวอย่างหนึ่งนะคะว่าเส้นเอ็นมันคลิกมีปัญหาอ่าแล้วคุณป้าบอกว่าผลิตภัณฑ์มูลไบต์เนี่ย เขาเออราคาแพงเกินไปไหมอืมก็ไม่แพงนะคะเออตามหลักก็ไม่แพงเขาไปพอมาเออแล้วมีบางคนอ่ะเขาไม่มั่นใจสั่งซื้อทางวิทยุกกลัวโดนหลอกกลัวว่ากิน<อ>แล้วมันจะไม่ได้ผลโอ๋อันเนี้ยไอเงินพันสองพันเราก็เนาะเราได้ของอ่ะไอการหลอกลวงเนี่ยมันคือการที่ว่าหลอกลวงแล้วไม่ได้ของเราเสียตังค์ไปฟรีประมาณนั้นทกที่จะเรียกว่าโดนหลอกอันนี้คือรา อันนี้คือเราได้กินได้รับประทานคือคือว่าดีไหมไอ้ดีหายเลยขับพานมันก็ไม่มียาเจลาดาไวัยแอ้วน้อเป็นตรงตรงอันนี้ก็นเคยเป็น่คยไปอือต่อมาก็ดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นจ้่คุณป้าก็เลยมองว่าเออเขาไม่หลอกหรอกถ้าถ้าหลอกคือไม่ได้ของแล้วตอนอ่าอ่าทางรายการบูลไร้นะคะต้องขอขอบคุณคุณป้าสุนันท์โทไทยนะคะที่อยู่ตําบลนครสวรรค์ออกอําเภอเมืองนครสวรรค์นะคะ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 ชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง o n b r i ร h ์สัญจรบอกเล่า90ความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์ค่ะวันนี้นะคะ DJM มาอยู่กับคุณคำสอนแตงน้อยนะคะอ่าซึ่งจะมาเล่าถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มู B ไบรท์ค่ะสวัสดีค่ะคุณคำสอนแตงน้อยรบกวนบอกค่ะค่ะค่ะ่ให้แนะนำชื่อนามส ก, กุลบ้านเลขที่ของตัวเองค่ะนางคาสอนแตงน้อย อยู่หนองกอดอำเภอมันพทุทธิสัยจังหวัดนครสวรรค์ก่อนทานมูลใบป้าเป็นอะไรมาจ๊ะก็ปวดขาแล้วมันก็จะติดชาแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วล่ะรว่าป้าก็รอเงินอยู่ไงที่ีีเงินมันก็นมาแล้วสาวเขาก็จะซื้อให้แล้วหลับดีด้วยเนี่ย ตายก็ปกติค่ะก่อนหน้านี้คือป้าบอกว่าเป็นเน็บชาในปวดปวดยังไงบ้างเล่าอาการโดยละเอียดเลยค่ะก็มันปวดแบบป้าลนะ้มไงล้มอันนี้มันก็ขามันไม่แข็งไปเลยแต่ว่ามันก็มีรีบนะอันนี้ก็มากินมูบไบแล้วยมันก็ดีธรรมดามันถ้าต้องติดต่อกันใช่ไหมเลย ีนือเรามันขาดจังหวะไงจังหวะไม่ได้กินอีกไงก็จะซึมกันแหละว่าเดี๋ยวจะโทรไปกันปลาแล้วปลากินถักกี่กับอ่ากี่ชุดนะคะถึงเริ่มรู้ว่ามันดีขึ้นนะคะก็ประมาณสี่ห้าวันนึงก็รู้สึกดีแล้วอ่ะแล้วเราเรากินเข้าไปนะเนื้อที่เราย่อนๆย่อนไเละน่ะมันแข็งเป็นกล้ามขึ้นมาเลย ดีขึ้นเนาะวังกันเถอะอแล้วป้ามีอะไรจะฝากกับคนคนที่เขาฟังวิทยุบ้างไหมคะก็ให้คนชว น, นกินกินน่ะมันก็ดีขึ้นนะ่วยการบูบายอะดีที่สุดแล้วก็ย้ายเนี่ยจะหลอดสายไปเพอาบูบายนี่เนี่ยมีเรียวมีแรงขึ้นทุกวนัน กับกินได้ค่ะแล้วป้ามองว่าราคาเป็นยังไงบ้างคะราคาแพงไหม<ะ>ราคาเป็นยังไงบ้างคะราคามันก็พอดินกันอะนะนไม่แพงหรอกจะ้ะพอหวาพอซื้นมาทานได้จะ้ะค่ ะ, คะขอบคุณคุณป้ามากทนปวดอยู่ทําไม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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณจํำกรณีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณจำคะค่ะค่ะอ่าให้คุณจําแนะนําชื่อนำสกุลและที่อยู่ค่ะจํากรณีค่ะค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านน้องเสือค่ะอ่ามอบ้านน้องเสือหมู่ห้าเนาะใช่หมู่ห้าบ้านน้องเสือ ตำบลห น, น, น, น, นองโกโพิสจังหวัดนครสวรรค์ตำบลหนองโกรดอำเภอบันพธิสายจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะคุณจำค่ะก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับมูลไบรทคุณจำเป็นอะไรมาจ๊ะแ ม, ม่กฟม็ฟังการแ ม, ม่กมมับพ่อฟังราการอ๋อค่ะแล้วมแม่กับพ่อที่ใช้เนี่ยเขาเป็นอะไรมาจ๊ะตัวเอปวดขาค่ ะ, คะปวดขาเป็นมากี่ปีจ๊ะหลายปีแล้วจ้ะอือถึงห้าปีไหม ใค่ะอ๋อปวดขามามากกว่าห้าปีแล้วที่ปวดขาหนักๆเนี่ยมีอาการปวดยังไงบ้างปวดหัวเขา่าปวดข้อเท้าปวดอะไรไหมปวดหัวเขา่าค่ะมันค่อยๆยกแล้วนะย่อกไปตรงกลุกบอ๋อปวดหัวเขา่าเลยรก่อกแมบบ่ก็<ๆ> เ, เดินเดินไม่ค่อยไหวกินลแล้วก็เป็นในโรคเบาหวานด้วยนะเป็นเบาหวานเป็นหัวใจเป็นไตอืม เป็นไขมันนะกินเป็นหลายโรคค่ะตอนนี้ก็นอกไฟยังเดินเดินไม่เดินไม่ได้คือเมื่อกินแล้วแม่ก็เดินได้ว่าเดินเดินดีขึ้นไงก็เลยสั่งจะสั่งหน่อยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเดินไม่ได้เดินไม่คล่องแล้วหลังจากใช้กระมูลไปแล้วชุดหนึงก็เดิมเดินดีขึ้นเดินเดินเดิมเดินดีหน่อยค่ะไปกินเขาค่ะแล้วก่อนอ่า แล้วตอนนี้ใช้มูลไบแล้วเดินดีขึ้นคุณจำคิดว่าผลิตภัณฑ์มูลไบร์อ่ะราคาแพงไปไหมไม่แพงค่ะอืมมันก็ดีใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ฟังทางวิทยุเขาฟังฟังอยู่เขาไม่มั่นใจเขากลัวว่าไอ้ที่สัมภาษณ์กับทางวิทยุเนี่ยจะมาหลอกไม่น่าจะจริงหรอกอคุณจำมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ฟังไหมคะไม่หลอกค่ะคิดแล้วมันดีขึ้ น, นเน่เขาก็เดินได้อ่ะ ค่ะก็กำลังจะบอกว่าของจริงเนาะไม่หลอกค่ะจริงเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็จากเดินไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็เดินได้แล้วนะคะใช้เดินได้ใช้แค่ชุดเดียวเองค่ะ้ารายการมูลไร้ต้องขอขอบคุณคุณจำกรณีที่อยู่บ้านหนองเสือหมู่ห้าตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะหากท่านใดอยากป้องกัน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 3 9มเก้าสี่หกาข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ามันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้าสั่งชุดน้ามันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม เอาล่ะคะ่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังนักร้องลูกทุ่งเสียงคุณภาพเงาเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์ตั๊ ก, กแตนชนละดาคะ่ะ ชีวิตคือการนอกใจเธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ย้ำทำมันลงไปที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้น ที่ตัวออกหารักแค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่ารอ ฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณบรรจงโสภากัญชาสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะให้คุณป้านแนะนําชื่อนำตสะกูลแล้วก็ที่อยู่ค่ะอ๋อใจแบบนะนชื่อใช่ไหมค่ะบรรจงโสภาจ้าบ้านเลขที่แปดหมู่ห้าตำบลหนองโกดอําเภอวังสะพิสัยจังหวัดนครสวรรค์จ้าอ่าคุณบรรจงโสภานะคะบ้านเลขที่แปดหมู่ห้า าตำบลหนองกรดอำเภอบ้านพอพิสัจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณบรรจงคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับมูลไรเนี่ยเป็นอะไรมาคะอ๋อเป็นหลายโลกเลยเป็นในลุงมะตอยอยู่จ้ะอ๋อเป็นลูมะตอยอลุมะตอยแล้วก็เข่าเสื่อมค่ะแล้วกระดูกเอ็กระดูกทุกเส้นอืม<ส>อืมเป็นหลยอ่ง <c oughs> จ้ะแล้วคุณป้าเป็นมาหลายอย่างเนี่ยคือเป็นมานานกี่ปีคะโอเป็นมาเป็นสิบสิบปีแล้วจ้ะอ๋อเป็นมาสิบปีแล้วที่แบบว่าเดินเดินอย่างนี้ก็เดินลําบากเนี่ยฮะที่บอกว่าไม่ค่อได้อืมกระดูกครับเส้นด้วยออืม่าจ้ะแล้วคุณป้าคือมารู้จักกมูลไรได้ไงอ่ะคะป้าฟังวิทยุจ้ะฟังวิทยุ เห็นคนนั้นกบอกว่าเออดีคนนี้ก็ดีอะไรเงี้ยก็เลยลองใช่ไหมจ้ะจ้ะเออแล้วคุณป้าเห็นใช้ของมุนไกรเห็นบอกว่าใช้ไปชุดเล็กเนาะใช้กันแค่แบบ ไ, ไม่ไ ม, ไม่ไม่นานเท่าไหร่แล้วป้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงบ้างป้าอูอ้มันก็เหมือนดีขึ้นนะอืมอ่รู้สึกว่ามันดีอ่ะมันดีขึ้นนะมันเบาปวดนะ่ะอ๋อคือกินตัวไค่เส้นมันเริ่มเบาปว ด, ด, วดมากขึ้นใช่ไหม แล้วแล้วตอนนี้อาการคุณป้าเซนอะะเป็นไงเบาเบาขึ้นกี่เปอร์เซ็นนะถ้าเทียบกับของเดิมอาปวดเป็นศิษย์เลยตอนนี้เหลือจีเ่เหลือเหลือเท่าไหร่เอาป็งไงดีประมาณเจ็ดสิบแหละเจ็ดสิบปอร์เซ็น่และตอนนดีขึ้นดีขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซนใช่ค่ะอ่ก็อยากจะกินต่อหนังกันเนี่ยองมตอนนี้ก็คือดีขึ้นอยากกินต่อแล้เนาะอย่าง แล้วคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์มูนไรท์อะค่ะเป็นยังไงราคาพอได้ไหมพอได้แต่คือมันกินถูกกินแล้วมันหายมันเบาอะนะมันก็ไม่แพงหรอกราคานี้ไม่แพงกินได้เลยใช่เน่าเกินเลยน้องจ๋าก็ตัว ก, ก, ก, ก, กินอยู่เขาก็บอกมาว่ามันดีนะมันดีที่ป่าเรามาฟังดูทยจุได้ยินก็เลยอืลองสั่งดูทินะ ต้องติ้นดิทางราการมูนไรนะคะต้องขอขอบคุณคุณป้าบรรจงโสพานะคะที่อาการเดิมก็คือเป็นลูมาตอยกระดูกทับเส้นแล้วก็เข่าเสื่อมนะคะการเดินลําบากเดินไม่ค่อยคล่องแต่ทุกวันที่ใช้ของมุนไร์ไปนี่ก็เริ่มเดินได้แล้วก็ดีขึ้นนะคะค่ะต้องขอบคุณคุณป้าบรรจงมากค่ะจ้าจาสวัสดีจ้าทนปวดอยู่ทําไม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 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูลไบรท์สัญจรบอกเล่าเก้าสิความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์ค่ะวันนี้นะคะ d j เจแอมค่ะอยู่กับคุณลุงสุทินฤทธิ์กระจายค่ะซึ่งได้ใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบรท์แล้วก็เกิดความประทับใจจริงมาบอกเล่า90้าบนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสุทินค่ะครับ อ่าให้คุณลุงสุทินแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ของตัวเองเลยค่ะครับผมชื่อนายสุธินกระจาบ้านเลขที่สองสองสีค่ะสีเจ็ดค่ะตำบลตาส่างอ่างองพื้นที่สายจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นกระโดกขับเต้นแล้วก็เด็ดทามือท้าเท้าแล้วก็ไมเกมครับกินแล้วมีอาการร่ดีขึ้น เบาหลายเลยค่ะ <c oughs> แล้วที่คุณลุงบอกว่าเป็นชามือชาเท้ากระดูกขับเส้นเนี่ยคุณลุงเป็นมานานหรื อ, อยังคะเป็นมากี่ปีจ๊ะก็ประมาณปีนะครับประมาณปีครับค่ะเราไปให้หมอขนวดบ้างถึงยนยาอื่นบางมาตั้งหลายก็ไม่เบานะกินให้เหมือนใบก็าวอาการดีขึ้นนะครับแค่คุณแค่ช่วทดลองน่อ อ๋อกินแค่ชุดเล็กก็รู้ว่าเลยดีขึ้นเลยอย่างนั้นเลยเหรอคะชุดทดลองอืมอามการดีขึ้นหลายค่ะอ่ะแล้วคุณลุงมองว่าผลิตภัณฑ์มูลไบรท์เนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างอะคะก็พอขายได้ถ้าไม่ไม่แพงครับพอได้อแล้วคุณลุงมีอะไรจะฝากกับ ท่านผู้ฟังทางวิทยุไม่ไหมคะที่เขามีอาการเป็นแบบลุงอะคะอ่ะก็ให้เขาซื้อมูนไทดเขาลองกินดูครับแบบอาการก็จะดีขึ้นผมไม่ได้เป็นหน้ามาแล้วครับมอนีจริงจริงครับค่ะค่ะก็อาการจะดีขึ้นหลายเลยครับอืมค่ะก่อนเนาะ ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงสุทินฤกกระจายค่ะผมจ่ายชุดใหญ่ไปชุดแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ไม่ขาดค่ะอ๋อค่ะเพื่อให้ดีขึ้นต่อไปต่อเนื่องกันนะคะก็เลยสั่งชุดใหญ่ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะนั่นก็เป็นความประทับใจนะคะของคุณลุงสุทินฤกกระจายเป็นอย่างยิ่งค่ะทางรายการมูลไบร์ทนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุทินฤกกระจายเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ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 ศู1 3 9 4 6ดหนึ่งสามเก้าสี่หเก้าเจ็ดเจ็ด นั้น จริงเสียงจริงของคุณลุงโหนกสะทองน้อยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะผมชื่อลุงโหนกสะทองน้อยค่ะอยู่ที่อำเภอบุญพธ จ, จังหวัดนครสวรรคครับอยู่หมู่อะไรคะหมู่เก้าครับหมู่เก้าตำบลค่ะตำบลตาสัง อ่าตําบลตาสังอําเภอบรรทศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์บัิสัยครับค่ะคุณลุงหนอกนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบแล้วครับหกสิบแล้วนะเห็นลุงบอกว่าเป็นมะพรุกระมายี่สิบปีเล่าอาการให้ฟังเลยค่ะเมื่อก่อนมันขาไปมือขาขาไม่เดินไม่ได้เดีนี้มันมันมันขาเมื่อวานก็ไมันเดินได้แล้ว แสดงว่าก่อนหน้าเนี้ยลุงขอรายละเอียดเลยค่ะที่บอกว่าชาขาเดินไม่ได้เนี่ยแล้วแล้วเห็นบอกว่าเออเวลาแบบชาเนี่ยชาทั้งตัวเลยเหรอคะครัอบอืมชาทั้งตัวแล้วแขนป ว, วอะไรนี่ตัวมันใช้น้ำมันบูมไปทาเอามันมือสวยมันมันหายวบบปวดเบาปวดอืมแล้วที่ลุงบอกว่าลุงเดินไม่ได้เลยแล้วเดินยังไงอะคะ ห ก, <ละ S 1> อก่อนเใช้ไมก้กระเท้าเดินเองอคือเดินได้บ้างแต่ตองใช้ไม่ได้แม้วในในทิ้งันเดี๋ยวนี้ผมตามมือไปก็ไผมเดินไปกิโลเดิบบบบบบบนไปบ้านพ่อบ้าแม่อยู่ก็ละบ้านอืมแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยคือเดินไม่ได้เลยถึงเดินได้ก็ <ละ S 1> ต้องใช้ไม้เทา้าคือลาบากเดินได้เกินสิบเก้าไหมเกินกว่าครับ อ๋อได้กว่าแต่แต่ต้องใช้ไม้เท้าใช้ไม้เท้ายันเนาะเห็นเห็นลุงเล่าให้ฟังว่ามีปากเบี้ยวด้วยเหรอคะอ่ะปากเบี้ยวเลยถูไม่ค่อยทัดลแล้วกินข้าวเนี่ยเวลากินเนี่ยเลอะเทอะเปิ่เปื้อนไหมอสาจะเป็นบ้างบางทีไม่ใช่ต้องคอระวังอ๋อกินข้าวก็กินลำบากอออค่ะ แล้วลุงพยายามรักษามาก่อนไหมที่เป็นอาการรักษามาเ ป, เป็นเป็นแสนแล้วครับเนี่ยโอ้โหมาเป็นที่ไหนไหนก็ไปก็ว่าดีไปรักษาโนกพีเซลุมตโลคไปมาหมด อ, ะอ่ะอ๋อคือเรียกได้ว่าหมดเงินเป็นแสนรักษามาเยอะออแล้วหายออไม่ลงมันเนี่ยไอ้ม่ก็เมอนเอาไปอย่างเนี้ย เวลามันหมดยาแล่วมนก็เป็นเจ็บเจ็บก็ปวดอีกลำเก่าเมื่อทานมูลใบไม่รู้สึกเขาล้มัวแสดงว่ามูนไบเนี่ยคือทําให้ลุงเนี่ยเบาตัวแล้วก็เดินได้เดีเ๋ยวนี้ลุงยังใช้ไม้เท้าอยู่ไหมใช่ยังใช้อยู่ครับเอายังใช้อยู่แต่ว่ามันปวดน้อยลงปวดปวดปวดน้อยลงโอ้กลัวจะล้มอ่ะ จะบอกต้องเจต้งใช้เขาบอกว่าเขาบอกต้องใช้ไม้เท้าก่อนนะอย่าอย่าเพิ่งไปกล้าหางยิ่งเกินไปเดี๋ยวจะล้มซ้ำครัเป็นอัมาพาตอย่างเก่าตายเลยและวเจเขาเนี่ยก็ว่างอ่ะมึงก็เลยใช้ไม้เท้าอยู่เรื่อยเลยนี่แสดงว่าจริงจริงถ้าไม่ใช้ไม้เทา้าลุงก็คิดว่าน่าจะเดินได้แต่ว่า เ, เออใช้ใช้ไปหมดมันเป็น<อ>มันเป็นมันเป็นอะไรมันจะเสยล้มอืม แล้มเรมันจะลุกไม่ขึ้นแสดงว่าพอใช้มูนไบร์ไปเนี่ยเบ้าปวดดีขึ้นแล้วลุงคิดว่ามูลไบร์เนี่ยราคาแพงไหมเมื่อเทียบกับที่ลุงดีขึ้นแบบเนี้นไม่แพงครับยี่นาที่ไห น, <อ>ไหนแพงยิ่งกว่านี้มผมซื้อกินมอมกินหมดเลยหมดกินแสนนะค่ะแล้วคุณลุงอะ่ะมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมค่ะใคร นายชาวบ้านจาเมืองที่ทีเขาเป็นอย่างผมเนี่ยถึงเป็นมานานแล้วเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ลูกเสวยกินดีบุญบายเนี่ยไม่เสียรองด้วยราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่พอเสวยกินได้คือลุงยืนยันเนาะว่าที่เราพูด ก, กันเนี่ยไม่ใช่หน้าม้าไม่ได้หลอกเขาถูกไหมครับครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่น่ามาไม่ใช่ยอกก็พูดเลยกินเลย ค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะเราคุยกับคนเคยเป็นอัมพฤกษ์มาตลอดยี่สิบปีนะคะเดินก็เดินไม่ได้คอยจะจะเซจะลม้มทุกวันนี้ลุงดีขึ้นแล้วทานอาหารก็ดีขึ้นเดินก็เดินดีขึ้นจริงๆก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าก็ได้นะก็ถือว่าต้องแสดงความยินดีกับลุงด้วยนะคะที่ดีขึ้นครั บ, ค, รบค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลงุงสวัสดีครับ